นั่งหลับกันลายทอดนะนะใครนั่งไม่หลับใครนั่งไม่หลับนั่งอย่างไงนั่งไม่หลับ หลับตากันหลายท่อนเลวเนาะเพราะฉะนั้นเตรียมหลับต่อเตรียมหลับต่อ <c oughs> ตื่นขึ้นบ้างไหมเราเอาธรรมะไปล่อมันข้างในนะ ตื่นขึ้นบ้างไหมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่มันเป็นธรรมะนะเป็นธรรมพยายามไปดึงธรรมข้างในของเราให้ตื่นดึงจิตของเราให้ตื่นนั่งภาวนานั่งหลับต่อนะบอกแล้วไม่นั่งหลับต่อ <c oughs> เราไม่เอาธรรมะเข้าไปกิเลสมันก็เอาธรรมะเข้าไปในใจของเรามันมีสองคู่แข่งอยู่ในใจของเราธรรมะแข่งกับกิเลกกิเลสแข่งกับธรรมะในใจของเราแต่งมาแข่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ดอกเราไม่รู้จักบางคราวธรรมะ เพิ่มขึ้นกิเลสก็น้อยลงบางครั้งธรรมะน้อยลงกิเลสก็เพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นกิเลสต้องมีกําลังมากกว่าธรรมะเพิ่มขึ้นธรรมะก็ต้องมีกําลังมากกว่าอะไรทำธรรมะธรรมะอะไรกันนะธรรมะ สติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ธรรมะทำเหลือชะล้างบดจดบริสุทธิ์แล้วเหลือธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดุ่นคืออะไรผู้รู้ผู้นั้นผู้รู้ดวงนั้นไม่ได้หมายอะไรเลย แต่ถ้าตรงกันข้ามยังไม่ใช่ธรรมะทั้งน้นเลยยัย ง, หยยยงหมายนุ่นยังหมายนีน้ยึดนุ่นยึดนี้หมายนุ่นหมายนี้สำคัญน้นสําคัญนี้อุปาทานอุปาทานมันยึดเอายึดเอายึดเอ า, เอามันยึดเอาตามสัญญาอารมณ์แล้วพูดเรื่องธรรมะเหล่านี้เราไม่ต้องไปจ้องเพ่งมองอะไรอย่างอื่นที่ไหน ให้เราพยายามจ้องมาที่ผู้รู้ของเราเนี่ยผู้รู้ของเราหนึ่งเดียวนี่แหละแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีผู้รู้ผู้นี้เนี่ยเราเหมือนต้นเสาต้นหนึ่งก้อนห็นก้อนหนึ่งวัตถุอยู่ข้างๆตัวเราวัตถุหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรในตัวเองไม่มี สังขารที่ไม่มีใจครองเป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่มีใจครองสังขารจิตของเราสังขารกายของเราเราถือว่าสังขารกายของเราเป็นสังขารที่มีใจครองสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งรวมฉันเรียกว่าสังขารสังขารสิ่งหนึ่งเดียวนี่แหละเป็นตำราให้เรามา ศึกษามาเปิดมารือ้อมาดูมาขุดมาค้นมาฝึกฝนมาอบรมมาศึกษาศึกษาก็ของสังขารอลา น, นี้ด้วยเหตุที่เราไม่ศึกษาเราจึงหลงนะคนเราหลงเพราะอะไรเพราะเราไม่รอบรู้รู้ไม่ถ่านมันรู้ผิดรู้ถูก รู้ครึ่งๆกลางๆรู้ปลอมรู้ไม่จริงด้วยเหตุที่เราไม่ศึกษาเราจึงหลงมันหลงมาก่อนทั้งนั้นแหละหลงโลภหลงโกรธคนมันโลภเพราะมันหลงหลงไหลหลับไหลนี่แหละหลงทั้งๆที่หูแจ้งตาสว่างนี่แหละมันหลงไม่รู้จักภาวะของธรรมะ ธรรมะอยู่รอบข้างตัวเราที่ไม่มีวิญญาณครองเขาก็เป็นกองสังขารหากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามภาวะของมันภาวะความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านก็เรียกว่าธรรมะเช่นอย่างอนิี้จังทุกอยางอ น, นับตาท่านก็เรียกว่าธรรมะภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงท่านก็เรียกธรรมะ สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีไหมมีอสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงถาวร น, นอกนั้นเราว่าไม่เปลี่ยนแปลงถาวรไม่ได้เช่นอยาาา่างตัวเราวัตถุร่าง้างตัวเรารวมไปถึงสิ่งที่แข็งที่สุดที่มีอยู่ในโลกเนี้ยเราดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ระยะการเวลามันจะบอกเป็นรอ้อยปีเป็นหมื่นปีเป็นแลาแสนปีเป็นล้านปีเป็นกลับเป็นอาสองไข่กับสิ่งเลนั้นเปลี่ยนแปลงหายไปไหนกับมนุษยเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองมนุษย์เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองแม้แต่ตัววิญญาณคือตัวใจเองมันก็ยังเป็นกองสังขาร เพราะมันยังเป็นสิ่งมีส่วนประกอบประกอบกับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเราพูดอย่างนี้เราพยายามพันไปที่ใจของเราเราจะเริ่มมีความรู้ในใจของเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยมันก็แปลกเราก็ครองใจกันมาครั้งหนึ่งดวงแต่ทําไมถ้าเราไม่ชับไม่ล้างไม่ฝึกฝนโดยธรรมมันจะเริ่มมือเริ่มบอดเริ่มรกเริ่มรงุรงรัง เริ่มหลงหน้าหลงหลังเริ่มหลงอันนี้แห father, ละหลงอะไรที่ไม่ได้ศึกษานี่แหละหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยลืมไปเรื่อยทำผิดไปเรื่อยทำถูกไปเรื่อยทำทั้งผิดทำทั้งถูกเพราะฉะนั้นในใจของเราเราไม่ต้องไปหมายว่ามันจะมี yes. แต่ความสุขแล้วเราไม่ต้องไปหมายว่ามันจะมีแต่ความทุกข์มันมีทั้งถุกสุขทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุขปนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วสิ่งที่ไปประสบพบเห็นที่ตาที่หูที่ไปสัมผัสสัมพันธ์รับทราบมาที่ใจสิ่งที่ดีชอบใจก็มีสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจก็มีสิ่งที่ชอบใจแน่นอนเราปลื้มใจเราพอใจเรามีความสุขสิ่งที่ไม่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ชอบใจแน่นอนไม่ประสบความสุขเราไม่มีความสุขเรก ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยไม่ได้เป็นสายเลือดอะไรเลยไม่ใช่ครอบครัวลยไ ม, ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจกันอู้นั่งอยู่ใกล้กันเหมือนอยู่กันคนละทวีปถ้าเราไม่ชอบใจกันใจมันสะบัดมันสลักทิ้งนี่เราประสบเรเห็นทั้งสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจ สิ่งที่ชอบใจเราก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ผลักออกไปผลักออกไปทำยังไงเราจะทาให้ใจของเราเนีรู้แจม่มแจ้งใสกระจ่างสว่างรูอยู่ในหัวใจของเรามันไม่ติดไม่ตันด้วยวิชชาตันหามันมาครอบคลุมหัวใจของเรามีวิธีเดียวเท่านั้นต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องศึกษา ทำไมศึกษาหลงเคลิ้มอยู่อย่างนี้แหละตลอดภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันเราลองอย่างเอาคิดว่าเราหนึ่งลองอย่างดูอย่างดูอะไรอยู่ก็ข้างๆตัวเราอย่างดูวัตถุที่อยู่ข้างๆตัวเราอ๋อวัตถุมันก็อยู่ตามภาวะของวัตถุ มันทรงภาวะอยู่ตามภาวะของมันมันอยู่ตามฐานะของมันอ่าสภาพที่ส่งไว้สภาพอันท่งไว้ตามฐานะของมันของมัน น, นั่นแหละเารีว่าธรรมทารีวัตธรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วบอกว่าผู้ที่ท่านมีธรรมมีใจเป็นธรรมทั้งทุนทั้งรุ่นมีธรรมเป็นใจทั้งแท่ง ท่านไม่ได้หมายอะไรเลยไม่ได้หมายนัน้นไม่ได้หมายนี้ไม่ได้สำคัญมันหมายมันไม่ได้สาคัญมันหมายนี้้าเกี่ยวข้องผูกพันกันโดยธรรมมีความเกี่ยวข้องการโดยธรรมมีความผูกพันกันโดยธรรมโดยภาวะที่มันมีโดยภาวะที่มันเป็นความมีกับความเปลี่ยนฐานะของมันคือความมีอย่างหนึ่งความเป็นอย่างหนึ่งเป็นอะไร เป็นมันนั่นแหละมีอะไรก็มีมันเนี่ยมีภาวะอันนั้นมีสภาวะอันนั้นระมุดดูมาที่ร่างกายของเราเป็นภาวะนเป็นสภาวะอันเป็นภาวะของกายมีสภาวะของกายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราแยกแยะส่วนประกอบละเอียดเข้าไปและแยกแยะไปถึงธาตุนุม่มธาตุดินธาตุน้ําไปไล่ดูสิดินกับน้ํานี่ก็แยกละเอียดเข้าไปอีก ธาตุดิ น, เ, นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วนั่งภาวนานี่เราไม่อยากให้จิตของเราว่างเราเอ า, า, า, เอ า, าตัว น, นี้แหละมาทํางานเอางานตัว น, นี้แหละมาทําจับงานตัวนี้แหละมาทํานักําหนดจดจอรูปผมเป็นไงขนเป็นไง เ, นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเมื่อคืนเราเราสวดกายคตาสติแบบพิสดารไหมเมื่อคืนเห็นไหมนะคําแปลมีใครสนใจเอาไปดูเพิ่มเติมไหมบอกถึงพระส่วนของอวัยพระแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีผิวมีสันฐานเป็นยังไงมีสียังไงมีสันฐานยังไงอยู่ส่วนไหนของร่างกายของเรานี่นี่คือกองสังขารท่านแยกแยะให้พิจารณาดู คำว่าอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนด้วยเหตุที่เราไม่มีปัญญาเราหมายเอาอะไรที่เป็นก้อนๆเป็นแท่งๆนี่แหล ะ, ะมีขาสองมีมือสองมีลําตัวหนึ่งมีหัวหนึ่งเป็นปัญจ่าสาขาเนี่แหละนี่แหละคือตนเนี่ยนี่แหละคือตนพุทธเจ้าท่านมีวิธีมีอวัยวิธีที่ฉลาดให้เราแยกขบาทตัวตนออกไปอีกนะ ท่านให้นั่งหลับตาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอุบายวิธีนั่งกําหนดเอาส ต, เาสเาสติเอาสติเอ า, า, เานะเปัญญาของเราเนี่ยมากําหนดเอาผมกองไว้กองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งเอามากองเป็นกองเป็นกองไปลองสากองสามสสองกองนี้มีทั้งธาตุดินมีทัท้งธาตุน้ำนะธาตุดินยี่สิบธาตุน้ํา12น้ําดีน้ําเสด็จน้ําเหลืองน้ work, นําเลือดไปจนถึงนุ่น น้ำหมุดนั่นถ่านน้าเอาไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองสภาวะอันนั้นน่ะมีอยู่เพียนอย่างสภาวะของความเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันนี่คือภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันอยู่มันอยู่ตามภาวะของมันมันมีอยู่ตามภาวะของมันมันทรงตัวอยู่ตามภาวะของมันมันเป็นตามภาวะของมัน เราไม่รู้จะเอาอะไรไปว่ามันเพียงทําใจให้รู้เท่าโอ้มันเป็นโอ้มันมีโอ้มันเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วในตัวมันเองมันไม่มีส่วนไหนอยู่คงที่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเวลาเขามากองกันรวมเป็นอัตภาพร่างกายของเราหามากองกันหามารวมกันด้วยด้วยอะไรด้วยพลังของอะไรกรรมด้วยพลังของกรรม กรรมมันทําให้ดินน้ำลมไฟมากองกันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังจนไปถึงนุ่นน้ําจนไปถึงกระริสังอาหารเก่าอาหารเก่านุ่นนั่นธาตุดินน้ำดีน้ำเลสเลน้ําเหลืองน้ําเลือนไปจนถึงน้ํามูดมั น, นมันทรงตัวมันมีภาวะมันมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแยกออกกระจายออก คำลายคําว่าตนคําว่าตนดูไปละเอียดลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกเราจะเห็นคําว่าตนตนในที่นี้มันเกิดภาวะหมายมั่นสําคัญสําคัญเอายึดเอาถือเอาในใจของเราถ้าเราพยายามนั่งกำลังจดจอด่อพิจารณาเพ่งมองมาเราจะรู้เราจะเข้าใจอ้เวลาตันหามันแทรกเข้ามาที่หัวใจของเราอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาจริงๆ ความรู้สึกมันจะบอกขึ้นมาจริงๆเราจะสังเกตได้เวลาเราเกิดโกรธขึ้นมากับใครมีใครมาพูดดูถูกดูแคลนอะไรขึ้นมาเนี่ยอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นปุ๊บๆๆๆขึ้นมาเนี่ยราดูยามย้อนดูตอนนั้นน่ะนี่อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเราจะว่าอะไรก็ได้เราจะว่าความถือตัวก็ได้ด้วยเหตุที่เราถือนี่อัตตาถึงมีขึ้นมันถึงเกิดขึ้น ตัวตนมันจึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นขึ้นชื่อว่าตัวตนก็คือตัณหาขึ้นชื่อว่าตัณหาก็คือตัวตนถ้าเราหมดตัณหาภาวะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีมันจะมองเห็นทุกสีทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติไปหมดแม้แต่ตัวผู้รู้คือถ้ารู้มันก็เป็นธรรมชาตินี่คือธรรมะข้างในนะ เรานั่งภาวนาเราพยายามพิจารณาถึงเรื่องหลักธรรมเหล่านี้อ ม, มันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่เราภาวนาใใจได้รับความสงบในความสงบนั้นะมันมีอะไรอยู่ในนั้นเราดูให้เห็นดูให้ออกจิดมันสงบไม่ถูกตันหายุย่ยแย่ก่อกรูนมีความเออบ่นมีความสุขจิตใจผ่องจิตใจใส เล่าให้ใครฟังไม่ถูกภาวะอ น, นันเราทำให้ปรากฏขึ้นม า, มาเองในหัวใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากผลงานที่เราตั้งใจภาวนาะทำให้ใจหยุดหนึ่งอยู่กับที่เพรนาะฉะนั้นดวงตาทัา น, ทา น, ทานจิวาตวกิเลสตัวเดียวอวิชชาตัวเดียวมันบดบังเราทั้งหมดเอาตัวเดียวออกหมดอย่างอื่นจ้าไปหมดมันไม่มีอะไรมาบดบงังหัวใจของเรา สภาวะทำอะไรอะไรก็อยู่ตามภาวะแห่งตนแห่งตนยอมรับแต่ไม่มีฝืนอะไรแม้สักอย่างอยู่ตามภาวะความมีความเป็นอย่างนั้นทุกอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่า ง, ต า, งตามเรื่องจะเป็นของสมมุติจะเป็นของไม่สมมุติะจะโดยสัจจะโดยสมมุติสัจจะโดยปรมัตาสัจอ้าเข้าถึงปรมาจิแล้ว <laughs> แท้จริงไงที่เราพูดทั้งหมดนี่แหละนี่เป็นเป็นเป็นหลักประมัดนะเป็นหลักประมัดอ่าเป็นเนื้อหาอย่างยิ่งคําว่าประมัดปรมัตทศเนื้อหาอย่างยิ่งเนื้อหาอย่างสูงเนื้อหาอย่างลึกอย่างละเอียดประมัตทศก็คือเนื้อหาของมันเองแต่ถ้าเป็นสมมุติศตท์มันเป็นคําสมมุติที่เราสมมติเรียกกัน เช่นอย่างเราเรียกว่าคนเนี่ยชื่อในดำในแดงในขาวในเขียวอเงี้ยหรือ น, น้ําเงี้ยเราก็เรียกสมมติว่ า, วาน้ําให้รู้จักการมาเป็นน้ําแต่คนไทยเขาเรียกน้ํานะคนจีนเรียกอะไรฝรั่งเขาเรียกอะไ ร, ล ร, ะไรแล้วก็ภาวะที่เขาเรียกอ น, นั้นมีไหมก็คือน้ำนั่นแหละแต่สมมุติเรียกกัน อย่างนี้เขาเรียกสมมติสัตว์สมมติสัตว์แม้แต่ชื่อพวกเรานี่นี่ก็เป็นสมมุติสัตว์แม้แต่คําว่าคนชื่อคนนี่มันก็เป็นสมมุติสัตว์แท้ที่จริงอัตราตัวตนที่เราเข้าใจขาสองแขนสองลำตัวหัวหนึ่งเป็นห้าปัญจสาขาเนี่ยเราเข้าใจตามลักษณะของสมมุติสัตว์มากกว่าเราสมมุติเอาเราสมมุติเรียก แต่พระมัทธะศัตรูสลาย ห, หมดแล้วไม่มีคนไม่มีตนประมัทธะศัตรเหลือแต่เนื้อหาของธรรมแ ท, ท้เนื้อหาของอัตของธรรมแ ท, ท้ประมัทธะศัตรูละเ อ, อยียดลึกถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นในเมื่อเราศึกษาแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องต้องเรียนต้องรู้ต้องผ่านต้องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดอะไรมันก็รอบรู้ไปหมด อะไรมันก็พันกันไปหมดทุกอย่างอยู่บนความสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดในอุปภาพร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะอยู่โดยเอกเทศในตัวข้อมันเองอยู่โดยเอกเทศไม่ได้จะต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดแม้แต่ผมเส้นเดียวเนี่ยผมผมเส้นเดียวลองมีมดมีแมลงมีอะไรที่ใหญ่พอมาตตา่มาตอรูหมด เป็นอวัยวะเดียวกันหมดทำให้เรารับรู้รั บ, รบทราบเท่าเทียมกันหมดความเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเดียวต่างอันต่างเปลี่ยนแปลงเหมือ น, น, น, น, นกันหมดเป็นภาวะของมันเป็นธรรมชาติของมันภาวะอันนี้มันเป็นภาวะที่เรามาเรียนรู้อัตภาพร่างกายของเราเพื่อเราจะได้ไม่หลง ถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วหลงจริงๆนะหลงอะไรหลงยึดยึดว่าเป็นเรารว่าเป็นของของเราสิ่งที่ตามมาคืออะไรกองทุกเนี่ยยิ่งยึดท่านก็ยิ่งทุกยิ่งยึดท่านก็ยิ่งทุกพระอารหันต์ท่านยังมีอัตภาพร่างกายอยู่ท่านไม่ทุกเพราะท่านไม่ยึดเอไอ้ไม่ยึดนี่มันยังไงนะไอ้ไม่ยึดนี่ไม่ยึดนี่มันยังไงกัน เราลองทดสอบดูสิเราไม่ยึดยสิ่งที่เปรียบเสมือนโคมไฟหรือแสงสว่างหรือดวงประทีปที่ทำให้เราเอามากำหัดจดจอ่อส่องสว่างโรให้รู้ว่าคืออะไรเป็นอะไรสติธรรมสัมปชัญญะธรรมไม่เลยนี้ไม่เกินนี้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเพราะอะไรด้วยเหตุใด เราไม่บ้าใบาวิกวลวิการมีการทางประสาทสมองวิการทางสติเราตั้งสติกำหนดโรขึ้นมาความรู้ของเราหนึ่งเดียวเวลาเราตั้งสติกำหนดโรขึ้นมาหนึ่งเดียวเนี่ยมันเห็นสักเท์ศว่าเห็นจริงๆริมันไม่ยึดนะเราทดสอบดูอย่างนี้ก็ได้ ยึดอะไรทุกันนั้นยึดอะไรทุกอย่างทําไงเราจะไม่ยึดถ้าเราไม่เอาธรรมะตัวนี้มาศึกษามาปรับมากํากับมาฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใใหัวใจของเราจิตใจของเราก็จะเท่าเดิแทนที่จะพัฒนาขึ้นอาจจะพัฒนาลงก็ได้ฟังเข้าใจไหมถ้าจ่อไปที่อื่นไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องจ่อมาที่ใจของตัวเองนั่งฟังแล้วจ่อมาที่ใจของตัวเอง ถ้าสนใจจอะถ้าสนใจภาวนาก็าอยู่กับเนื้อหาของภาวนาของตัวเองที่เราพูดเนี่ยทั้งหมันจะส่งใจมาแกะคําพูดของท่านเนี่ยตามไม่ทันดอกตามไม่ทันเานจามาที่ใจของตัวเองจะเข้าใจที่เราพูดอย่างนี้เราไม่พูดนอกเนื้อไปจากไหนพันอยู่รอบรอบจิตนี่แหละพูดอะไรพูดได้ไม่รู้จบจบ ก, ก็สิ่งเหล่านี้มันจบเป็นที่ไหน ถ้าเราจะภาวน า, าตามมันอยู่ในหัวใจของเราภาวน า, าไม่จบนี่ความยึดมันพาเร า, ายึดตั้งอยู่ในท่าทีที่ระหว่างเราตั้งใจภาวนาสันดูธรรมะระวังพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็จะทําให้เกิดสิ่งหนึ่งความยึดถือมันจะโผล่ขึ้นมามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาความอยาก โผล่ขึ้นมาความอยากโผล่ขึ้นมานีความอยากโผล่ขึ้นมาความยึดถือยึดถือเพราะยึดถือตามนักความอยากอชอบใจก็คืออยากไม่ชอบใจก็คืออยากเฮ่ ไ, ไม่ไม่ชอบใจมันอยากได้ยังไงไม่ชอบใจไม่ชอบใจคือยินร้ายที่ถูกก็คือเอาออกหมดยินดีก็เอาออกยินร้ายก็เอาออก นั่นถ้ายังมียินดีอยู่แสดงว่ามันยังจะต้องมียินร้ายถ้ายังมียินร้ายอยู่แสดงว่ามันยังยังจะต้องมียินดีเอาออกทั้งยินดีเอาออกทั้งยินร้ายตราบใดที่มียินดีนั่นคือยึดตราบใดที่มียินร้ายคือไม่ยึดอย่างนั้นเลยไปยึดนั่นแหละ ย, ยึดจนเหตุว่ามันยินร้ายนะดังที่ผู้เดีนฟังนั่นแหละ คนที่ไม่พอใจถ้าอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่นั่งติดกันเนี่ยเหมือนอยู่คนคนละทวีปคนละโลกไม่พูดด้วยไม่สนใจด้วยไม่อะไรด้วยถ้าเพื่อ ด, ดีดตัวเองออกไปกี่ทวีปได้แล้วดีตัวเลยนี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราพอใจที่สุดนั่นแหละ <laughs> สิ่งที่เราพอใจที่สุดอ่า เพื่อนเราผัวเราเมียเราลูกเราอคนที่ถูกถูกใจถูกอารมณ์เราที่สุดจะถึงกาลถึงคราวที่มันผิดใจกันอุย้ย ม, มันอยากดีดอยากดีดเขาเน่ยไปอยู่นู่นนอกจั ก, กรวาลหรือมันก็อยากดีดตัวเองเไปอยู่นอกเขาจั ก, กรวาล น, น่าใช่หไหมและทั้งสองอย่างคือภาวะปกติของจิตไหมนี่คือภาวะของตัณหามันฝ่ายยึดและทุกข์ไหมทุกข์ อยากดีตัวเองไปอยู่นอกเขาจาักรวาลเนี่ยสุขหรือทุกข์นานคือความไม่พอใจแล้วความไม่พอใจนี่แหละ ว, วิภาวะตัณหาสิ่งที่จะพึงเกิดสิ่งที่พึงเกิดขึ้นไม่ชอบใจไม่พอใจสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ภาวะนี้แหละภาวะของความยินดีกับภาวะของความยินท้ายนี่แหละมันไม่ชอบใจดอกตัวตนโผล่ขึ้นมาความทุกข์โผล่ขึ้นมาทดสอบได้เลย เราทดสอบหน้างานภาคปฏิบัตินี่แหละแค่สมรรถะเราก็รู้เรื่องกันแล้วสมรรถาเราเห็นตัญหามันดิ้ดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันดิ้ดดิ้นมันโผล่ขึ้นมาทีไรมันตั้งตัวได้เป็นอัตตาทันทีในเมื่ออัตตาโผล่ขึ้นมาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาคนเราอยู่ในสังคมเดียวกันโดยพื้นพื้นโดยสมมุติทั่วไปเราต้องรู้ว่า อนนันสูงอวนนีต้ต่ำแต่ถ้าโดยภาวะของหลักธรรมชาตทิทั่วไปแล้วเนี่ยเสมอพากันไปหมดโดยธรรมแ ท, ท้โดยประมัดธรรมแ ท, ท้มันจะเสมอพากันไปหมดพ่อกับแม่กับลูกก็เสมอการสิอย่างนั้นนะ่ะถ้าพูดถึงประมัิส่วนละเอียดเสมอพากันหมดตัดซุท่า ดูโดยสมมติสัตว์ออมีพ่ออ้อมีแม่เหมือนเป็นกอเดิมแตกแขนงออกมาแตกหน่อมาอย่างเงี้ยลูกก็คืออะไรคือหน่อคือแขนงของพ่อของแม่นั่นเองนถ้าเราดูโดยสมมติแต่ถ้าเราดูดูโดยภาวะของความมีของความเปลี่ยนของมันเสมอพากันไปหมดเียเราดูสิ ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝอบรมได้ถ้าจะมีความสุขสักปานใดโดยเหตุที่ท่านไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าอนุมสูงอันนี้ต่ำอันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้จิตใจของท่านที่ท่านเข้าถึงแล้วไม่ใช่ว่าท่านจ ะ, จะทิ้งสมมุติยิ่งท่านถือได้มากกว่าเราภาวะที่ความเกี่ยวข้องกับเราแต่ภาวะข้างในท่านท่านปล่อยโดยธรรมชาติอิสระเสรีประมังสุขขัง ไม่ว่าจะเอาคาไหนมาพูดท่านใช้คําว่าประมังสุขังประมังสุขังเป็นความเป็นความสุขสิ่งเหล่านี้เราเข้าไปรู้ได้ด้วยอะไรปัญญาสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยปรุงให้เกิดปัญญาสติธรรมสัมปชัญญะธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมหิรัมหิริธรรมโอตปะธรรมขันติธรรมโสรัจจะธรรมความอดความทนความมุ่งมั่น ความบึกบึนความอุตสาหความพยายามแล้วแล้วแต่จะว่าภาวนาทั้งวันก็ไม่จบอดทนอดจนได้ทาจนได้ทาจนเป็นทาจนมีทนจนได้ทนจนเป็นทนจนมีทาจนได้ทาจนเป็นทาจนมีขยันจนได้ขยันจนเป็นขยันจนมีแล้วแต่จะว่าว่าไปไม่จบ ไม่จบมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่ได้ฝึกถ้ามีก็คือเราฝึกไม่เมื่อเราฝึกแล้วสิ่งที่ตกผลึกอยู่มีอยู่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่การฝึกหัดดับแปลงสิ่งของที่อยู่รอบข้างตัวเราทำไมายังเกิดเป็นอาคารตรงนั้นอาคารตรงนี้ก็คนสร้างก็คนทำอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทามันก็ไม่เปลี่ยนแน่ สิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่รอบข้างตัวเรามันก็เพราะสิ่งนี้อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันอยู่รอบข้างตัวเราต้นไม้แผ่นดินแผน่นดินแผ่นฟ้าแผ่นหญ้าอะไรต่อะไ ร, ะะไรสารพัดแล้วแต่มันจะมีมันจะเปลี่ยนเราดูให้เห็นให้เป็นธรรมเราจะดูยังไดูให้เห็นตามภาวะความมีความเปลี่ยนของมันลองที่ลองพยายามอย่างพยายามสังเกตเข้าไปดูสิลองอย่างเอาผู้รู้ของเราสอดแทรก เข้าไปอยู่ในก้อนหินลองดูดิสอดแทะผู้รู้ของเราเข้าไปอยู่ในท่ากลางต้นเสาหน่อลองสอดแทะเข้าไปลองดูดินะถ้าเปื่อภาวะของเราเนี่ยมันมีภาวะเหมือนกับต้นเสาอยู่อย่างนั้นจะคืออะไรจะเป็นอะไรมันไม่ได้ไปรับรู้อะไรโอ้มันเป็นภาวะที่หมดความยุ่งยากในตัวหมดสรรพัต หมดผู้ที่จะม า, มาดัดแปลห ม, มหมดผู้ที่จะมีดหมดผู้ที่จะมาถือหมดผู้ที่จะมาจับมาจอ่อภาวะจะมียังไงเป็นยังไงก็ตามแต่จะเสื่อมไปหรือจะสิ้นไปหรือจะสุดไปก็แล้วแต่ภาวะมันจะเป็นเราดูเราดูบนท้องฟ้าเนะี่ยดูที่เห็นคนเมเปลิวไปปลิวมาปลิวมาปลิวไปมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเราดูไปก็เมือนกับอะไร มันมีก้อนเมฆเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไอ้แค่เรานั่งเครื่องบินก้อนเมฆมันรู้ต้องสามสี่ชั้นลนะ แ, แล้นะแต่ละชั้นมันห่างกันเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราดูทีเลยเาไปอีกเขียวเขียวนอนเราดูไปว่ามันคืออะไรก็นไม่รู้ด้วยเหตุที่เราไปไม่ถึงที่สุดเราก็หมายเอาแหะโอ้มันน่าจะเป็นงั้นน่าจะเป็น <c oughs> ก็หมายออกไปตัวหมายตัวนี้คือสัญญาสัญญามันเป็นความรู้ มันเป็นขันอย่างหนึ่งในจิตของเราถ้าเราจะแยกก็คือขันอย่างหนึ่งสังขาร น, นึกคิดปรุงเภทนาความรู้สึกสัญญาสังขารวิญญาณแท้ที่จริงก็คือวัตถุชิ้นเดียววัตถุก้อนเดียวแต่หากเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นจากมันวัตถุอะไรก็คือทารุทารุ ถ้าห้เกิดความรู้ในตัวเองมีความรู้ในตัวเองใจของเราเนี่ยย้อนมาดูภาณนารื่องใจไม่จบแตถาาาา่ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาถ้าเราไม่เอามาภาณนาเราก็ติดตันมันก็อั้นตู้อย่างนั้นนะ่ะรื้อไม่ออกแก้ไม่ออกเข้าใจไม่ได้อย่าลืมว่าประโยชน์มาตามมาตามนี้ โทษมาตามนี้คุณมาตามนี้ประโยชน์มาตามนี้คุณโทษประโยชน์มาตามนี้สิ่งเหล่านี้เรารู้เพราะอะไรเราไม่รู้เพราะอะไรเข้าใจเพราะอะไรเราไม่เข้าใจเพราะอะไรนี่เราพูดถึงความอัศจรรย์นในตัวของตัวเราสิ่งที่เราพยายาม พยายามเว้นพยายามปัดก็คือความทุกข์หนึ่งวใจของเราถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่มีปัญญาเรายิ่งปัดมันก็ยิ่งมาเรายิ่งปัดมันก็ยิ่งมาเรายิ่งแก้มันก็ยิ่งมัดยิ่งแค่ถ้าก็ยิ่งมัดยิ่งแคเถ้าไปยิ่งมัดเพราะปัญญานั้นมันเป็นปัญญาที่เราไม่ได้ชะล้างไม่ได้ขัดเกลาเป็นปัญญาอันจบปลองของกิเลสฉลับแบบกิเลสกับฉลับแบบธรรม ชนะแบบกิเลศก็คือหมายเอาหมายเอาหมายเอาหมายเอาจริงไม่จริงมายุความจริงกับความหมายมันคนละเรื่องคนละโลกไอ้ความหมายก็คือสําคัญเอายึดเอายึดเอายึดเอายถือเอาสําคัญมั่นหมายเอานี่เรียกว่าหมายเอาหมายเอายี้ความหมายเอากับไอ้ข้อเท็จจริงข้อมันมันเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนหมายผิดหมายถูกแล้วหมายยุ หมายความสุขหมายความเจริญแต่ทําไมเราจึงโดนทุกข์เพราะเราหมายผิดนี่เอเราหมายผิดเราตั้งสมมุติฐานผิดแล้วก็ยึดผิดสมมติตั้งปมปัญหาที่จะแก้เราก็ตั้งปมผิดแล้วเวลาเราเราไปแก้เราก็ต้องจะต้องแก้ผิดยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแก้ทําไมยิ่งจนยิ่งแก้ทําไมยิ่งจนยิ่งแก่ยิ่งอันนั้นก็แล้วอันนี้ก็แล้วทำไมยิ่งจนลงจนลงจนลง เราดูไม่ทะลุดูไม่ออกปัญญาเราไม่ทั่วปัญญาเราไม่ทั่วถึงสติปัญญาเราไม่สิงบทสิ่งบดสิ่งบางข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผลมันไม่มีชะเข้าไปล้างเข้าไปสิ่งลนันนี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราของท่านเรามีบุญด้วยการเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีบุญไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เษัตสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกอสูรกายนั่นดักดานอยู่นั่นแหละเราดูแต่สัตว์เดรัจฉานเขามีอะไร ดูเขามีอะไรเขามีมีอะไรเขามีเศษสัจธร่มสัญชาตญาณแต่มนุษย์มีเจตจำนงมีผิดมีถูกรู้ผิดรู้ถูกรู้บารู้บุญรู้ว่าเพิ่มเหตุเพื่อความสุขรู้เหตุเพิ่มเหตุเพื่อความทุกข์ลบหลีเกตเพื่อความทุกข์ความยากความลําบากเพิ่มพูนเหตุเพื่อความสุขเพื่อความเจริญหัวใจของเรานี่คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีมีความรู้เป็นสัตว์ที่มีความฉลาด ความรู้ที่คาดที่เดากับความรู้ตามข้อเท็จจริงของศัจธรรมเราจะสําคัญมั่นหมายเอาอะไรเราจะศึกษาเอาอะไรความรู้อันจอมปลอมความรู้คาดคาดเดาเดาแต่ถ้าหากเราพยายามคาดคาดเดาเดด้วยตั้งอกตั้งใจคาดคาดเดาเดเพื่อเป็นการสอบค้นหาข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านักลายเป็นปัญญาให้เราได้ พลิกไปพลิกมารื้อไปรื้อมาค้นไปค้นมาชอนชัยหาเงินหางามชอนชัยไปชนใจมาเอ้าเอาเ อ, าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แน่ทำให้เราเกิดภูมิรู้เกิสติเกิดปัญญาตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาสิ่งเหล่าเนี้สิ่งเหล่านี้สรุปมาที่สมถะสรุปมาที่วิปัสสนาทั้งนั้นแหละเราจะมารู้สึกตัวเราจะมาตื่นเนื้อตื่นตัวต้องงานสองงานนี้เท่านั้น งานอื่นไปทําวิจัยวิจารณ์ก็เป็นเรื่องผิวเผินอะไรข้างนอกเป็นเรื่องผิวเผินข้างนอกคาดเอาเด า, าเอาสำคัญ ม, มั่นหมายเอาใช้ตักใช้หลักปรัชญาใช้ตรรกวิทยาคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอาค า, าดคาดเดาเแล้วก็ยึดเอาตั้งสมมุติฐานว่าเหตุอย่างนี้ต้องเป็นผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ต้องเป็นผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุอย่างนี้จะต้องเป็นผลออกมาอย่างนี้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมา แต่โดยทำนั้นนะท่านเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนความไม่พอใจนะทำให้เราทุกข์เนี่ยมันละเอียดเข้ามาที่ใจเองความพอใจทำให้เราสุขไอ้พอใจหรือไม่พอใจมันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกบางทีเราพอใจในสิ่งที่ผิดก็มีเราไม่พอใจในสิ่งที่ถูกก็มีเนี่ย มันยังไม่ไม่แน่ใจมีการพิสูจน์มีการทดสอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มันท้าทายสติท้าทายปัญญาเราทั้งนั้นยุดให้จิตของเราสงบอยู่หนึ่งเดียวเวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันจะแปรพราวนะเวลาเราต้องการให้เขาแปรพราวสงวนพลังของมันไว้ซะก่อนยุดให้มันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวภาวนาใจสงบแปลงกันนะแหลกอะนะ ยิ่งนึกคิดปรุงทั้งวันเนี่ยอาจจะไม่ได้ความรู้ละเอียดเท่ากับเราสงบซะก่อนเนี่ยเราดูวิธีการของพระพุทธเจ้าพอเราสงบเสร็จแล้วเราไปไปคน้นไปรือ้อไปคน้นมันเหมือนกับใจมันสว่างอยู่แล้วเนี่ยมันพอที่จะมองเห็นอะไรได้ง่ายมันจะมองเห็นอะไรได้ง่ายแม้แต่สิ่งที่จะมาบดมาบางังที่จะมาบิดมาเบี้ยวมา พลิกมาผันให้เป็นอื่นเนี่ยเราก็ดูทันเราก็ดูออกรูทันดูออกเห็นเงื่อนเห็นงามเห็นอุบายเห็นวิธีเห็นมายาของมันโอมบร้พูดพลณาอะไรมาเนี่ยฟังเข้าใจรู้เรื่องไหมนะฟังเข้าใจรู้เรื่องไหม <c oughs> เดียวต้อง38ปนาทีแล้วเพราะความสงบนั้นมันมีพลังหยุดมันจะกอนเป็นการเพิ่มพลังอ่าเพราะเวลาเอามาใช้โบราณครูอาจารย์ท่านเปรียบท่านเทียบบางทีเหมือนกับว่าเราหยุดนั่นแหละเท่ากับว่าเราฝนมันคคมฝนมีด ผลจอะผลเสียมผลอะไรทลายมันคมยุดนั่นแหละทำให้คมพอเวลาเอามาพิจารณาเหมือนว่าเรามีกำลังเรามีพลังมันมีความคมมันนกว่าในเมื่อเราตั้งใจฝนมันก็จะต้องคมถนอมกาลังการถนอมกาลังถ้ากระม่อฝนหรืออีกอย่างหนึง่งเราไปพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาถือว่าเป็นการฝน ฝนให้เกิดปัญญาฝนให้เกิดความคมฝนให้เกิดความละเอียดฝนให้เกิดความคมละเอียดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเช่นอย่างเรานั่งกับมืจุดจอทุกขเวทนาถ้าถือว่าเอาความทุกเนี่ยรับปัญญาลุงตาถ้าว่าเอาความทุกเนี่ยเรารับปัญญาเอากองสังขารกายของเราเนี่ยรับปัญญาเอากองขันของเราเนี่ยทั้ง5ขันเนี่ยมาเป็นกองสระปรับให้เกิดปัญญากําขณะทุก ขนมย้อนทุกขนมพิจารณาทุกย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปยอ้ปยอนกลับมาเราดูแล้วมันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องจำเพาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องคนคนเดียวอยู่ข้างในทํางานอยู่ข้างในคนเดียวแท้ๆสืบคนจริงเหล่านี้เราดูพระริจเจ้าของเราเนะี่ยโอ้พระท่านจะได้พราท่านจะได้ทะลุออกมาเป็นโลควีทูได้โอุ้ญญาปรมีขนาดนั้นแล้ว พวเราล้างมือคอยเปิบเท่านั้นเองพระองค์ปรุงเสร็จเสร็จจับเรียบร้อยหมดแล้วพระองค์มาบอกโอ้นี่นะสตินะโอ้น oh, oh, ี่น oh, ะ oh, oh, ปัญญานะอืโอ้นี่นะสมาธินะโอ้นี่สติโอ้นี้สมาธิโอ้นี้ปัญญาภาวะอย่างนี้อย่าง น, างนี้ให้เธอทําอย่างนี้ทํานี้ทํานี้กิเลสมันเกิดเกิดด้วยเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้อยากจะหยุดมันอยากจะชะลอมันทําด้วยไปอย่างนี้วิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ พระออามาจับใส่มือเราฟังสัจธรรมฟังเธอจงเห็นสัจธรรมเห็นเหมือนอย่างพระองค์สองพระพยายะพระพายะเธอจงเห็นสัจธรรมเห็นคำว่าเห็นสัจธาวรมเห็นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแนะ่น่าคือธรรมชาติสัจจะทำแท้ timeline, ปรากฏเห็นสัจธรรมเห็นความยินดีก็ไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิด ในเมื่อตันหาไม่เกิด อ, อุปาทานที่จะยึดมันก็ไม่เกิดทุกมันจะมาจากไหนตัวตนมันก็ไม่เกิดตัวตนไม่เกิดแล้วทุกมันจะมาจากไหน based. ตัวตนมันไม่เกิดมันทุกมันจะมาจากไหนถ้าเราจะเทียบเหมือนกับเรามองเห็นคนอื่นเจ็บนั่นแหละไม่ใช่เราเจ็บเราเห็นคนอื่นเจ็บนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปรับรู้เราไม่ได้ไปรับเจ็บ ก, กับเขาเขาเป็นคนเจ็บ เขาเป็นคนรู้สึกเขาเป็นคนรับรู้การที่เราไม่ยึดนั่นถ้าเราจะเทียบเหมือนกับว่าเราเห็นคนอื่นเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บเราเห็นภาวะมันมีอยู่ในกายของเราในใจของเราแต่เราไม่ได้ยึดเราไม่ได้สําคัญมันหมายเรามัได้ยึดเอาอัตตาตัวตวนมันก็ไม่มีนี่แหละท่านว่าอนัตตาอนัตตาในเมื่อมันไม่มีอนัตมันมันเป็น อนัตตามันไม่ใช่อัตตาแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาทุกทุกอย่างก็เท่ากับว่าเปิดเผยตามภาวะแห่งตนแห่งตนเท่านั้นสุ ก, ก็คือสุกเอ้าทุกก็คือทุกก็จะว่าอะไรสุกก็คือสุข ท, ท, ทุกก็คือทุกก็คืออะไรผู้นี้ก็สักแต่ว่ารู้อ ย, อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแล้วก็ตกไปรู้อย่างเดียวแล้วก็ตกไปหมดผู้หมายเอาหมดผู้ยึดเอาหมดหมูผู้สําขัญมั่นหมายเอานี่นี่ เรียนให้ละเอียดึกลึกเข้าไปในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้มันจะท้าทายเราทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นทำแค่สองหลักนี่แหละหนึ่งหยุดให้มันสงบสองพิจารณาครี่คลายเข้าไปผิดบ้ากถูกบ้างถูกบ้างผิดบ้างถาเข้าไปใน เ, เรื่องลองผิดลองถูกเนี่ยพระเจ้าท่านก็นลองมาแล้วไอ้พวกเราแค่ลูกหลานเดินตามหลังเนี่ยเราจับมัดเลยมัดเลยมัดเล ย, เลยดีกว่าศาสดากรโถฮะ ท่านลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ต้องได้ลองผิดลองถูกแม้แต่ฟังคำบอกคำสอนของท่าน <c oughs> ก็ยังจะต้องมาทำยังไม่เป็นก็คือไม่เป็นทำจนเป็นเหมือนความสงบยังไม่สงบก็คือไม่สงบทำจนสงบท่านบอกว่าสงบนะจิตสงบนะเป็นงนั้นเป็นงนั้นเป็นงนั้ น, นเราทำยังทยังไม่สงบมันก็คือไม่สงบเราทำจนสงบนี่เป็นคำบอกคาสอนของท่านแท้แท แต่เพียงแต่มาเล่าเราฟังเป็นคำบอกเล่าตราบใดที่เราทำยังไม่มียังไม่เปลี่ยนมันก็คือไม่เป็นไม่เป็นก็คือไม่รู้ก็คือไม่ทันไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรมันทำให้ถูกเกี่ยวข้องบ่อยครั้งเข้าเหมือนวิชาการที่เราเรียนเรารู้เราเข้าใจรู้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยจนสามารถรู้ได้หมดจนสามารถถอดแบบได้หมดจนสามารถออกแบบ ถอดแบบได้แล้วยังสามารถออกแบบได้ได้อีกจนสามารถดัดแปลงได้อีกจนสามารถปรุงแต่งขยับขยายออกอีกทำอะไรก็ได้จากการที่เราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องนั้นไม่เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจจนทะลุโ ป, ปรโปรสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองอีก น, นี่คือคภูมิรู้ของเราไม่มีสิ้นสุดสหรับใครไม่ใช่สิ้นสุดสหรับคนนั้นสาหรับคนนั้นสหรับคนนั้น ไม่ใช่สิ้นสุดสำหรับพ่อแค่พ่อสำหรับพ่อสำหรับแม่สำหรับครูสำหรับอาจารย์สิ้นสุดสำหรับหัวใจของใครของเราขอบเขตสำหรับหัวใจของใครของเราประมาณปริมาณประมาณสำหรับหัวใจของใครของเราสิ้นสุดสำหรับหัวใจของใครของเราไม่ใช่สิ้นสุดแค่นี้นะอย่างอื่นเทอไปหาเทอไม่มีหรอกอ่ ก็เราฟังดูทีตามที่เราได้ยินได้ฟังที่ท่านพูดน่ยที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านอามาสอนนะแค่ใบไม้ในกำมือแค่นี้เนี่ยแค่นี้ใบไม้ในกํามือกับใบไม้ในป่าดูสิดูสิสนะไอ้แค่กำมือนี้เอามาเป็นสื่อสื่อไปเล่อให้ธรรมะในใจเรามันตื่นขึ้นมาพอมันตื่นขึ้นมามันเข้าไป ร, รู้เข้าไปเห็นธรรมโอ้ยอย่ามาแต่ในกำมือเลยนอกกํามือไปเห็นหมด ปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรไปจะไปสิ้นสุดสำหรับใครจะไปสิ้นสุดสำหรับคนนั้นคนนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่จะสิ้นสุดกันแค่นั้นสิ้นสุดสำหรับเราเพียงพอสําหรับเราเป็นกรอบขอบเขตสําหรับเราเราดูที่พระจุลบันทกเนะ่ยเวลาบรรลุธรรมปั๊บนะ่ะจากคนที่งโง่ที่สุดนะี่ยตลอดภรษาสองแถวเนี่ย ท่องจำไม่ได้เนะี่ยตลอดสามเดือนพอแฟนรับบรรลุธรรมปั๊บปึ้งเดียวพร้อมด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้ว ย, ว ย, ว ย, วยอภิญญาแปลงได้เป็นพันพันองค์อนะ่ะองคเดียวนะั่นเห็นไหมนั้ น, น, นจะเอาอะไรไปจํากัดได้พี่ชายจํากัดได้ไหมมหาบรรทกจํากัดได้ไหมจำกัดไม่ได้มหาบรรทงพี่ชายมหาบรรทกเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพี่ชายสอนน้องตลอดทั้งพรรษานะ่ย คาถาแค่สองแถวเนี่ยสี่บาทเพื่อหนึ่งคาถานจําไม่ได้ทรมานทรมานนี่น้อยใจนะจุลบันถกน้อยใจจะหนีไปศึกจะกลับไปศึกขุนเจ้าทัานรู้มานี่มานี่มานี่เธอบวชอุทิศเราไม่ใช่อุทิศอุทิศพี่ชายเธอมานี่มานี่มานี้ในธรรมิตภาพขาวมาแล้วให้บริกรรมอยู่นี่ น, นี่คือนี่คือมหาปราณนี่คือจอมปราณมองเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหมด ชุบันโถมีเบื้องหน้าเบื้องหลังคืออะไรเป็นอะไรนั่งเภาหนาอยู่ตรงนี้แล้นะผ้าขาวๆนี่เอาไว้บนฝ่ามือหนึ่งอีกเอาฝ่ามือหนึ่งหนึ่งไปลูกบริกรรมอยู่นั้นระชอนั่งระชอนั่งระชอนั่งบริกรรมไปลูกคลำไปลูกคลำไปลูกคลำไปลูบคลำไปจากผ้าขาวๆมันก็เริ่มมองลงมองลงมองลงมองลงเห็นความสงบไอเห็นความสุขโปรกของร่างกายเนี่ย โอ้ร่างกายของเราสมบูรณ์แบบเนาะดูด้ยผ้าขาวๆพองๆเนี่ยดำปี๋หมดเลยเห็นเกิดสลบใจขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกได้ปฏิกูลสัญญาอืมนี่คืออุบายที่พระเจ้าทุงสอนจุลบันทกเป็นประเภทพุทธเวนไนต้องพระเจ้าสอนเท่านั้นคนอื่นสอนไม่ได้พอพระเจ้าท่านดูเบือเบ้องหลังเบื้องหลังออกลูกศิาษย์พระสาวกเนี่ยบางทีก็ดูไม่ออกเบื้องหลังของจุลบันทก แตอ่อดีตชาติเคยเป็นพระราชาไปทรงช้างนั่งช้างเนี่ยนั่งเรียบเมืองนั่งดูเมืองอนั่งตเตาเห็นนครเนี่ยเหงื่อมันแตกน่ยเหงืง่อมันแตกเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าเช็ดามาดูโอ้ทําไมสกปรกแท้ตัวเราเนี่ยในชาตินั้ น, นแค่นี้ได้ความสุดใจจากความสกปรกที่เรามองเห็นเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดหน้าเห็นหน้าเจ้าของตัวเองสกปรกน่ย สลบใจสังเวชใจแค่นั้นได้ปฏิกูลสัญญาไม่ตกไม่หายไปไหนนั่นน่ะนะพุทธิยถท่านมองเห็นทะลุหมดเอออดีตในชาติเขาเคยเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเอานั้นให้เขามาเจอในชาตินี้อัตภาพนี้เพื่อเขาจะได้จับช่วงเป็นบวกบวกบวกแล้วก็พ้นไปได้ท่านจึงอเอามาเอาอุบายนี้มาสอนพอเห็นว่าได้สลบได้ความสลดใจก็เนรมิตให้พิจารณาแงา่วิปัสนา พึ่งเดียวได้มันรุสําเร็จเป็นวิชาพลิกจิตพลิกจิตจากหนึ่งจิตเนระมิตเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเป็นพันๆองค์พุทธเจ้าขับพระสงฆ์หมดทั้งวันไปฉันที่บ้านหมอชีวกกําลังจะฉันอยู่กําลังจะให้พรอยู่พุทธเจ้าก็เลยบอกโอยังมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดไปตามมาให้เขาไปตามมาโอ้พระเต็มวัดเลยพระจุลปันธงเนี่ยบรรลุธรรมแล้วเนี่ย หลังจากหมูเข้ามาที่บ้านหมอชีวกจุลาบรรทกบันรู้ทำแล้วเนี่ยแปลงเป็นพันๆองทั้งปัดกวาดทั้งเดินโยงกลมทั้งนัสมัติที่ภาณฯทั้งทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดยยเยียบเป็นโอ้ยไม่ใช่หนึงองเต็มวัดเลยกลับมาไปเรียกจุลบรรทกให้กลับไปอีกไปเรียกจุลบันทกไปเรียกจุฬบรรทพองนั้นก็บรรทกองนี้บันทกบันทกเต็มทั้งหมดอ่ะโอ้ยกลับมาอีกโอ้ยทําไมบรรทกเต็มหมดทั้งวัดน่ะใครใครว่าจุลบััันนนกกออออาาไไปปจจมมมืืหห้็ยด ได้พระจุลบรรพตไปฉันนี่เราดูเบื้องหน้าเบื้องหลังพุทธเจ้าท่านดูออกหมดแต่พวกเราดูไม่ออกพุทธเจ้าท่านดูออกหมดเราเอาอะไรไปสิ้นสุดไปจํากัดความรู้แม้แต่พุทธเจ้าก็ไปจํากัดไม่ได้นั่นคือภูมิของเขาภูมิของประจุลบรรพตในหัวใจของของเร า, าเช่นเดียวกันเราคิดเอาไว้เถอะอ่อะสติปัญญาแคบกว้างเป็นเรื่องของเราไม่มีใครจํากัดให้เราดอก พยายามช้นชัยเข้าพยายามช้าล่าพยายามขัดพยายามกล่าวพยายามพิจารณาความโปรดจัดจ่อใช้ความเพียรให้มากใช้สติปัญญาให้มากใช้ความกดใช้ความทนให้มากใช้ความอุตสาห์พยายามการมุ่งมั่นที่เราเคยมุ่งมั่นที่เราเคยตั้งเอาไว้อยา่าย่อนยานอย่าปล่อยทิ้งจับมันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยเราเอาเยื่อย่างพอุติเจ้าเลยุติเจ้าท่านจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อ ย, จ ะ, อยจะเอาอะไรม า, สาเสียสงข่ายแสนมหากรรม จะเอาอะไรมาสอนเราไม่มีท่านไม่ปล่อยอ่ะนี่ดีแล้วงามแล้วถูกต้องแล้วเอาตายตายก็ไม่ยอมปล่อยนั่นขนาดนั้นขั้นนั้นระดับนั้นไม่งั้นจะเอาอะไรมาสอนเราถ้าไม่ถึงขั้นนี้จะเอาอะไรมาสอนเราดูแต่บั้นสุดท้ายวันสุดท้ายที่จะได้บรรลุธรรมแท้ๆเนี่ยเหลือแต่เลือดเนื้อเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทียังไม่ได้บรรลุธรรม จะไม่ลุกขึ้นเด็ดขา น, นี่ขั้นสุดท้ายจะแท้นะนี่ขั้นเด็ดขาเนี่ยนี่คือขั้นเด็ดขาดเห็นไหมในคืนวันเด็ดขาดนี่คือพระศ า, าสดาเราดูอะไรมาดูพวกเราเหล่อแหละเราไม่ได้ทําอะไรจริงจังทำอะไรไม่ได้หนักแน่นทําผิวผิวเผิอเทําแบบลวกลวกคำว่าลวกลวกคำพูดนี้เขาก็รู้จักใช้เหมือนกันคําว่าลวกลวก เพิ่มขึ้นวกกมันฉาบช่วยมันลวกลวกเพ่มเพิ่มเพนะมันก็ผักที่มันลวกนั่นแหละสุกบ้างไม่สุกบ้างนี่คือลวกลวกลวกลวกคือมันไม่สุกเราทํามันไม่มีมันไม่เปลี่ยนมันไม่ได้ก็เพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันก็จะเป็นเองอะมันสุกมันจะตกผลึกเองไม่สุกมันก็จะเป็นเองมันจะตกผลึกเองนะ พระอานนท์เนี่ยวันรุ่งขึ้นแล้วจะเป็นวันทำพธสังคายนาเนี่ยออจะถึงวันเราจะได้บรรลุธรรมคืนนี้จะได้บรรลุธรรมคืนนี้ดำรงตนในภาวะความภาคความเพียรอย่างนั้นตลอดเกือบตลอดทั้งราตรีาเกือบตลอดทั้งราตรียังไงกันแล้วยังไงกแล้วยังไงกนแไงกันแวยงไงแล้วยไวยังงนวยัไงกันแล้วยงไมกวยั ว, ว, ว, วยววันวงนวยวว มัดมันยังไม่บ้างมันทํางานยังไม่หยุดผลมันจะปรากฏไม่ได้พอท่านทอดทุระเท่านั้นเขาเรียกทอดทุระท่านรู้จักใช้คําว่าทอดทุระนะท่านรู้จักใช้คําว่าทอดทุระคาว่าทอดทุรก็คื อ, อไม่กําหนดจดจอมให้อนะไรนั้นแหะพักสวะพักเฉยเนี่ยทำท่า ก, ากําลังจะทําท่าวางตัวนอนนะอ่ะถ้ามัผลมัดมันเดินมาแล้วผลมันก็ปรากฏปึง้ง ตอนนั้นเลยปรากฏพึ้งตอนนั้นเลยจะไปคาดไปเดาไปหมายใดยังไงนั่นหมายความว่าสุกงอมเต็มที่แล้วสุกหมดแล้วผลจึงปรากฏพระอนุจึงบรรลุธรรมในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เป็นองค์เดียวที่บรุษย์ทําแปลกมากบรรลุธรรมครั้งอิริยาบถ ท, ทั้งสี่จวายืนก็ไม่ใช่จว่าเดินจว่านั่งจว่านอนก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทำปถมสังขารนาหลังจากพระเจ้าพระนิยานไปแล้วสามเดือนทำปถมสังขารนาที่ทำสัตตะบรรณคูหาเคยไปรู้แล้วแหละเดี๋ยวนี้มันยุบยออมันพังลงมาหมดแล้วแหละอยู่ข้างบนตโปรธารามขึ้นไปดูสูงเนื้อแตกสองสามเทือกกว่าจะถึงจมูกบานแล้วบานอีกว่าจะขึ้นไปถึงมันสูงทุกพวกเขาวิ่งคอทานไม่ได้เขาวิ่งสบายเบาเมือนนม วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปไอเราขึ้นเอาแต่ตัวขึ้นไปจะเป็นจะตายสูงถ้ำสัตตะปะนะคูหาพระนอนพระมหาเถระประชุมกันหมดแล้วไหยไม่รู้จะไปทางไหนอะไปโผล่ขึ้นตรงที่ที่เขาเหลือไว้ให้นะท่านเป็นผู้พิสจนาพระสูตรทุกผููพระสู่เราจะเห็นว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวา พระอ่านมาแ้วได้ยินมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้นี่าพระสูตรทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขามาทําปะไตรปิฎกเนี่ยมาปฐมสังขายานาปฐมสังขายนาก็คือมารวบรวมคําสอนที่พระเจ้าท่านสอนมานั่นแหละที่พระเจ้าท่านสอนมาเป็นไงเป็นไงอ้าวคนนั้นได้ยินยังไงอ้าวคนนี้ได้ยินยังไงคนนั้นได้ยินนั้นพระสูตรนั้นทรงแสดงที่นั่นมีเนื้อหาเป็นยังไงังแสดงแก่ใครเนื้อหายังไงแสดงแก่ใครที่ไหน มีผลอะไรเกิดขึ้นอย่างไรเนื้อหาธรรมะที่ทรงแสดงแต่ละแห่งแต่ละที่อืมเอานะสภีระจะอยู่ข้างไหนทั้งหมดแหละเอาวันนี้ออกแค่นี้ก่อนเป็นเวลาถึงเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วเท่าไหานะร่ล้่นล่ะเวลาคื่วโมยยาง ยังไม่หมดเวลานะอะยังไม่หมดเวลาตอนนี้จะพักเสียงไม้จะนั่งภาวนาอืมเอานั่งภาวนาต่อนั่งรับต่อเมื่อกี้รับต่อทอดหนึ่งแล้วเอานั่งรับตานั่งหลับภาวนาต่อ เทานาพักสักพักนึ่งตักล็ดไม้มาต่อบ้างถ้ามีเดี๋ยวนั่งเท่านาก่อน